รตัตการในท่านสาธารุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องธรรมจักรกบฏตันสูตรตามคำราฐนาของท่านผู้สนใจจริงๆก็เคยพูดมาเมื่อประมาณเกือบ20เกือบี่ปีมานแล้วนะกระนาดพระธรรมจักรกบตันสูตรเป็นพระสูตรหลัก เป็นประสูตรที่สำคัญมากแล้วก็วางระบบอะไรอะไรไว้ในประสูตรบทนี้คำสอนทั้งหมดที่สืบต่อกันมาใน45ปีก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กิศิปตนะมรุกขายวันแวนเมืองพาราณสี หลังจากศัตรู้แล้วได้ก็สองเดือนนี่ย น, นะฮะสองเดือนกว่ากว่าหน่อยก็เสด็จไปเพื่อโปรดท่านปัญจวัคคีที่จึงเสด็จไปถึงอิศปตนะมันตอนเย็นยวันที่สิบสี่วันสิบสี่ค่ำแต่ก็มีปัญหาความข้องใจความสงสัยของท่านปัญจวัคคีท่านติดใจเรื่องเยอะ เพราะว่าท่านเป็นคนมีความเชื่อในลักษณะปักใจหรือคนประเภทนี้ถ้าปักใจไปในเรื่องอะไรแล้วจะพูดกันยากพอทำยังไงให้ท่านปักใจในทางดีถูกได้พอจะปักใจได้ทำก็ไปลิฟต์เหมือนกันก็ไปได้เร็วลักษณะของคนศรัทธาจะดิบนะฮะคือความว่าถ้าเชื่ออะไรเชื่อง่ายแล้วก็ปักใจไปง่ายๆพอท่านปักใจในลักษณะเชื่อมโยง ตามความเชื่อถือในยุคสมัยตรงนั้นแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราย้อนความคิดแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดสะสมมาตั้งหลายพันปีละคือไปมีความคิดว่าชีวิตของคนแต่ละคนในโลกนี้เมื่อก่อนมันแยกส่วนออกต่างหากต่เป็นกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ที่แยกออกจากกันกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าปรมาตามันบ้างมหาตามันบ้าง เรียกว่าชีวบ้งเรีกว่าอัตราบ้างก็เรียกเยอะนะฮะก็แล้วแต่ท่านจะเรียกแต่สรุปกลุ่มเหล่านี้เป็นนามนธรรมมีความรู้สึกนึกคิดมีความรักความชังมีความชอบไม่ชอบอะไรต่วใดได้หมดกลุ่มหนึ่งที่จึงเป็นก ล, กลุ่มรูปประวัตถุกต่เรียกว่าประกริเป็นรูปธรรมเป็นกลุ่มกดินดน้ำลมไฟอากาศที่ก็กลุ่มกันมันก็ต่างแยกส่วนโคจรกันไปในจักรวาลนะ ก็เป็นเทศเดีการสร้างโลกอีกแนวหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านจะบอกว่าต่อมาในี่2สองกลุ่มนี้มันโครจรมาเจอกันไอ้กลุ่มปรามาตมันเพิ่งแกรู้สึกรักชังได้เนี่ยแกก็ชอบใจในตัวประกริตแกก็แยกตัวเข้าไปสิงสู่อยู่ในตัวประกริมันก็กลายเป็นสรรพชีวิตแต่หมายความว่าจิตของคนแต่ละคนนั้นมันมาจากจิตสากลจิตสากลก็คือจิตตัวปรามาตมัน เห็นไหจริงความความคิดเหล่านี้ก็มาจากมาสู่ลัทธิพระเจ้าทั้งหลายนะครับความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายก็มาจากพระเจ้ามาจากการสร้างมาจากการแยกส่วนมาจากอะไรก็ตามก็สรุปมันมัมาจากสิ่งเดียวกันเพราะจิตมนุษย์ก็มาจากตัวประจิตแล้วก็มาแยกอยู่ติดอยู่ในร่างกายของคนเรากลายเป็นชีวิตแต่และชีวิตขึ้นในโลกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งเออเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับ แต่ปรากฏว่าพอไปสิงสู่แล้วมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกตามที่คิดเอาไว้มันมีแต่ทุกข์แต่ก็แยกออกไปไม่ได้มันเกิดหลงทางมันไปไม่ได้มันเกิดความคิดว่าถ้าจะแยกออกไปได้มันต้องทําลายร่างกายคือตัวประกริดที่เป็นกรงขังเนี่ยออกไปให้ได้มันก็ต้องมีวิธีการในการทรมานทรมานร่างกายเพื่อร่างกายมันพังพินาศไปนะ เราจะเห็นว่าวิธีทุกรกรกิริยามันมีเป็ น, ปนร้อยนะฮะมันมเยอะเหลือเกินคือกําลังจะทํามาเป็นหนังสืออย่างที่เคยลาา่าครับจะเขียนว่าใต้ร่มพระโพธิญาณนะจะเขียนยังไงไม่รู้อะแต่ความหมายความจะเชื่อมมาจากตอนที่เสด็จออกพนวดแล้วยังอื่นก็จะนําสำมบูรมาสักบทหนึ่งเป็นบทนํำระบทหนึ่งจะเชื่อมโยงให้ดูแล้วก็จะเข้าไปเดินเรื่องมากก็ตอนที่เสด็จออกพนวด เราจะขยายแต่ตัวธรรมาจักรตรงนี้บนเรื่องจะยาวมากก็เรื่อจะใหญ่มันเรื่องความฝันนะถ้าไม่รีบตายแต่ก่อนจะทําให้ได้ก็พอมาถึงตรงนี้คนก็คิดที่จะทําจิตให้เป็นอิสระมันก็หาวิธีการต่างๆก็สรุปแล้วก็คือทําจิตให้เป็นอิสระนั้นก็คือกระแสะของจิตที่เราเรียกว่าโลกเชี่ยงหรือถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเชี่ยงมันมาจากไหนจะไปสู่ที่นั่น มันทํำยังไงจะให้ไปสู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะฮะคือมาจากปรมาตามันก็จะเข้าไปไปรวมกับปรมาตามันแต่ตัวปรมาตามันตัวนี้ต่อมามันก็คิดชื่อเยอะยุคหนึ่งมันก็เรียกพร ม, มันยุคหนึ่งมันก็เรียกพระพรมแล้วก็เรียกชื่ออย่างอื่นอีกเยอะนะฮะคือสรุปว่ามันก็แล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่นี้คือตัวที่มาของสรรพสิส่ง ชื่อนั้นจะบัญญัติเรียกกันตามตามยุคตามสมัยตามภาษานะตามภาษาแต่ว่าความหมายเวลาท่านอนธิบายท่านจะอธิบายเหมือนกันแม้แต่เยาววาแม้แต่อนันเลาะเนี่ยที่จริงมันอธิบายเหมือนกับปรมาจาร์มันเวลาไปดูคำคำนิยามกองท่านอนันเลาะนี่คืออะไรเยววานี่คืออะไรเราจะเห็นว่าที่จริงมันคือลักษณะที่มาของสรรพสิส่งเป็นสิ่งสูงสุดตามความเชื่อถือในรัที่เหล่านั้นชื่อแต่นนั้นเองที่ต่างกันแต่ว่าโดยสภาวะ โดยสภาวะแล้วก็คือก็คือสิ่งสูงสุดเรคล้ายๆกับมนุษย์มาจากแหล่งเดียวกันแล้วก็ให้กลับไปสู่ไปสู่แหล่งที่มาเดิมเพราะที่เดิมมันสนุกสนุกกว่าสบายกว่าเยอะเราาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่สนุกเลยแล้วก็ต้องการจะแยกตัวเป็นอิสระนั้นก็คือกระแสหนึ่งแต่อย่าลืมว่าในยุคตรงนั้นมันเป็นยุคที่แรงมาก คือยุคการมาสุขาการละครนะยกยุควตถุนยิยมก็มาแรงสุดๆเลยสุดตรงนะฮะคือเรียวกว่าสุดตรงสุดๆดทั้งสองฝ่ายผมนึกถึงว่าคนที่รวยมันก็รวยมหาศาลนะมันรวยไม่รู้จะรวยยังไงตาของนางวิสาขามีแพะไเป็นทองคำมีแพะเป็นทองคาโชติยศเศรษฐีนี้ทรัพย์สมบัติมหาศาลมันมีนามีอะไรต่ออะไรมีมีมีขนาดว่า มีคนคนหนึ่งมีโคแสนตัวก็แล้วกันนึกดูกันแล้วกันนะว่ามีโคแสนตัวในหมายความว่าไงที่ดินเท่าไรน่นกันทำนามันมหาสาลมากมมันรวยจริงๆงเลยคนที่รวยนีย่แต่คนที่จนก็จนมหาสารเหมือนกันนะเลยก็เรียกว่าเศรษฐีมหาสาลพระมหาสาลกษัตริย์มหาสาลกําหนดด้วยจํานวนทรัพยบ แ, แสดงว่าเล่นรู ป, ปรวัตถุเยอะๆมันก็พอๆกับยุคสมัยนี้นะคล้ายๆกับยุคสมัยนี้หมายความว่าสุดขั้วโดยการทั้งสองฝ่าย พวกที่เป็นดินเร่าๆอยู่ตำบาตำผับก็เต็มไปหมดเลย <c oughs> เกินไปหมดอันนี้ก็คือกวงเน้นพฤติกรรมมาคุณหาสุขสัมผัส ต, ต่างเนื้อนหนังก็ถือว่าชีวิตจบลงที่ตายเป็นแนววัตถุนิยมเพรา ะ, ะนั้นก็ทั้งสองกระแสะเนี่ยมันก็เกิดต่อสู้กันแรงแล้วความคิดที่ออกมาจะหาความสุขเรื่องนั้นมนก็ออกมาทั้งสองกระแสะแต่ว่าดูแล้วถ้าเราดูพวกนักบวชก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนพระพุทธเจ้าปกแปดพวกหกลัชชีเนี่ย มันก็หนักไปทางทรมานร่างกายก็แสดงว่าลึกๆเนี่ยก็ต้องการทําจิตให้เป็นอิสระจากกายเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบการคิดมันจะต่างกันเย อ, อะเลยบางทีก็สุดขั้วนะฮะวัตถุนิยมสุดขั้วไม่มีบา ไ, ม, ม, บาไ ม, ม่บุญอะไรไปเลยแล้วก็ถือว่าสูงสุดในชีวิตก็คือหาความสุขความสุขทางประสาทสัมผัสไ ด, ไ, ดได้มากที่สุดก็จบกันพระเจ้าเองก็เกิดขึ้นมาท่ามกลางตรงนั้น คือเราจะเห็นว่าการที่บอกมีสนมทัง6กหมื่นมาไม่ค่อยเชื่อหรอกไอ้หกหมื่นตัวเลขมากไปหน่อยตัวเลขแขกอะเพราะเราก็ต้องต้องนึกว่าถ้าหกหมื่นเนี่ยอยู่กันยังไงมันเป็นจังหวัดนะมันเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะแสดงว่าว่าทำมาหากินยังไงจะกินที่ไหนจะนอนที่ไหนจะอาบน้ําที่ไหนมังมมีเยอะตามคือสรุปมันมากกันนะคือพูดตัวเลขมากแต่นั้นเด็คือต้องการจะปลนปลื้ด้วยกามคุณเป็นแนววัตถุนิยมนะต้องการจะหาความสุขทางโลก รพระงั้พระเจ้าเองก็อยู่ทําการการต่อสู้พระองค์คิดอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าสุตตวรระคิดอย่างหนึ่งพระเจ้าสุตตวรระก็พยายามป้องกันเต็มที่ไม่ให้สเสด็จออกไปหนุนพระเจ้าก็ดิ้นรนเต็มที่เหมือนกันพเพืจะออกไปให้ได้เลยก็ออกมาจบด้วยการหนีไงโดยในการหนีพระเจชักก็เยอะกันแรงนะฮะเยาก็เยอะกันแรงวิธีการต่างๆที่ท่านจัดขึ้นในรั้วในวังวเราไปศึกษามันเรื่องยาวเหยียดแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีภูมิหลังอย่างที่ว่าเนี่ย คือไปให้ความสําคัญแก่พวกวัตถุกรมกับให้ความสําคัญแก่จิตใจผู้ให้ความสําคัญแก่วัตถุกรรมทั้งหลายก็ปลนปลื้อตัวเองหาความสุขหาความมั่งคั่งร่ารวยด้วยด้วยสิ่งต่างๆที่ปลนปลื้นนะครับบำรุงคําเ ร, ร, รวยตัวเองก็จะตอบสนองในแนววัตถุก็เป็นเศรษฐีมหาศาลในที่ว่า ร, รวยมห ah าศาลก็ไถนาชีหนึ่งเป็นพันๆคู่นะ ในานาทีในพวกทำนาเนี่ยมันมีคนคนลงนาทีนึงเป็นพันคู่เลยปรากฏในพระสูตรนะเล่าถึงพิธีการนาเรียกโคเป็นผงผงมีจ้าฝูงต่างกัน ม, มีอัสสะพะมีอุสะพะมีวัสพระนะไอโคที่เรียกชื่อต่างกันมันแสดงถึงจำนวนลูกโคลูกฝูงที่ต่างกันวัสพระนี่คือคือลูกผงแสนตัวนะอัสสะพะนีน่คือลูกฝูงพันตัวอันนี้อุสะพะอุสะพะลูกฝูงร้อยตัว นะร้อยตัวพันตัวหมื่นตัวแสนตัวนะจะมีบริวารอย่างนั้นและจ้าฝูงนี่จะเรียกต่างกันเพราะงั้นจากสภาพสังคมอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านเกิดอยู่ท่ามกลางสังคมอย่างนี้ปัจจุบีนเองท่านก็เกิดในสังคมอย่างนี้แต่แสดงว่าท่างก็หนักในทางวัตถุนิยมก็ถือว่าไม่ใช่ทางจิตนิยมที่แรงนะทางจิตนิยมที่แรง แต่เราจะเห็นหน้าที่จริงก็สายเดียวกันเนี่ยสายอาราด า, า, าบทกะลามโคตุกดาบทราบุตรก็เป็นสายเดียวกันคือต้องการจะฝึกจิตให้เป็นอิสระแต่ท่านสองท่านเนี่ยท่านถือว่าจบแล้วท่านถือว่าเข้าถึงจุดสูงสุดแล้วที่อรูปฌานข้อที่ข้อที่7กับข้อที่8ปเนี่ยอรูปฌานข้อหมายความว่าอรูปฌานข้อสามมาข้อ4เนี่ยท่านถือว่าจบแล้วทั้งคู่นะท่านจึงไม่แสวงหาต่อไปพระเจ้าเองก็เดินมาในสายนั้นแล้วก็ในสุดก็แสวงหาต่อไป พอมาพูดกับปัญญวัชีนี่ปัญญวัีนั้นเชื่อมโยงความคิดเชื่อมโยงนี่อันตรายนะหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหม <familia. S 1> ฮะการจัดสรู้จะต้องเกิดขึ้นด้วยการทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายจะไม่จัดสรุปอันนี้คือผูกโยงกันเลยสองอันเป็นลักษณะความคิดผูกโยงต้องทําอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะบางทีบางครั้งบางข่าวบางก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่า หยิบกระเชอคอล่อมเสาย่างี่เล่ฟังอันนี้คื อ, ค, อคือแกปักอย่างนี้ว่ต้องเดินตรงนะเดินตรงไปเลยลบไม่ได้นะัะหลีกไม่ได้นะทำยังไงมีอหยิบกระเชอเอื้อมมือหยิบกระเชอหยิบกระเชื่อเอมือดึงมาถึงก็ติดมีอก็โวยวายใหญ่เลยเอาไม่ออกผัวก็มองมองงไอ้ไปทำยังไงโดยตัดเสาเลยตัดเสาเล ย, เลยคืนนี้ก็แสดงออมาลือ้อคือไว้อย่างนั้นหมายความว่าจับอย่างนี้ทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องดึงกลับมาอย่างนี้ได้ มันจะไปติดเสาติดเสาก็ไม่รู้ยู่ไปเจอคล่อมเสาเป็นแนวยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าทรงชช้คำว่าอิดาไม่ว่าสัจจังโมฆะมันอย่างอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องท่านติดตามพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่ออย่างนั้นพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าท่านไปเปลี่ยนวิธีก็สะบัดหน้าหนีเลยเรียกว่าชาตินี้ไม่ขอข้องเกี่ยวกันแล้วก็เลิกคบกันแล้ว เพราะการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงมีความคิดต่อต้านความคิดต่อต้านแต่อย่าลืมนะฮะว่าจริงๆลึกๆเนี่ยท่านก็คือข้าราชบริพารอยู่กันมานานนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นราชกุมารเป็นราชกุมารของท่านแล้วท่านก็ตามเสด็จอยู่ทั้ง6ปีเกือบหกปีเต็ ม, มนะฮะลึกๆนี่ที่จริงมันเคารพอยู่ความคิดต่อต้านพอพระพุทธเจ้าใกล้มันจริงมันก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี ก็ยอมอย่างอื่นหมดเลยเป็นไปแต่ว่าพูดจาในลักษณะไม่เคารพแม้เกลียติอย่างเหมือนเดิมใช้คําว่าคุณนะฮะใช้คําว่าคุณใช้คําว่าเธอนะเขาเรียกว่าอาวุโสอาวุโสนีนภาษาชาวบ้านกับภาษาวัดไม่ตรงกันนะฮะชาวบ้านเอาไปใช้อีกเรื่องหนึ่งเลยแต่จริงวัดเนี่ยถ้าอาวุโสก็คือคุณคือเธอคือเองอจะแปลว่ามึงยังได้เลยนะก็แล้วแต่จะแปลมันเป็นเรียกคนหนึ่งที่เป็นผู้น้อยกว่า เรียกเอาโสแต่ถ้าพันเตแล้วเป็นคำที่เรียกผู้ใหญ่ท่านผู้จเจริญใต้เท้าพระเดชพระคุณอะไรก็เรียกไปเลยนะฮะใต้ฝ่าละองธุลีประบาดเรียกพันเตไปได้หมดเลยคําว่ า, าพันเตก็แล้วแต่จะแปลงแก็แลแ้ว แ, แต่จะเรียกกัใครนะเพราะเรียกผู้เจ้า ก, ก็เรียกว่าพันเตนะฮะใช้คำว่าพันเตแต่ว่าบ้านเราเออกมาสลับหัวสลับหางยังไงไมลืกฟังก็ไม่รู้เรื่องกลาก็เอาโสก็แปลว่าคนคนที่เป็นผู้ใหญ่ คงจะจากคําแปลว่าผู้มีอายุมาจากคําแปลที่ท่านแปลว่าผู้มีอายุเราก็นึกว่าผู้มีอายุก็คือเมีอายุมากแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะก็เรียกไปลักษณะยกย่องเรียกว่าคุณเรียกว่าเธอเรียกว่าอะไรแต่เนี่ยเพราะอาการเรียกอย่างนี้แสดงว่าผู้เจ้าเล็กกว่าแก่เห็นไหมผูเจ้าเล็กกว่าปัญญบังคีผู้เจ้าก็ให้สติตักเตือนว่าไม่ควรเรียกอย่างนั้นเพราะเวลเนี้ยตาตาก็จะสั่รูแล้ว เหมือนท้คีโก็คัดค้านในวิธีการต่างๆแกรยังเชื่อมโยงเหมือนเดิมว่าเนี่ยท่านทำความเพียรขนาดนั้นคลายความเพียรมากินอาหารจนเริ่มมีแรงอย่างนี้แล้วมันจะตัดสรุมเป็นไปไม่ได้หรอกผู้เจ้าก็รับสั่งให้ย้อนคิดนั่นคือวิธีแก้ปัญหาข้าขอความใจสงสัยของคนบางทีเราอธิบายจะเสียเวลามากต้องให้เขาคิดเองเขาให้ตัดสินเองก็ตกลงใจเองไว้ลองคิดดูว่า คำพูดเหล่านี้เราเคยได้กล่าวไว้หรือไม่พระเจ้าีก็คิดดูก็าสักทางมาดูเคยได้ยินไหมมันก็ไม่ได้ยินน่ะก็แสดงว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยแกไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าพูดเทศเลยตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยไม่เคยเห็นพูดเทศเลยไม่เคยได้ยินพูดเทศไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยได้ยินพูดเทศเลยเพราะงั้นเมื่อพูดก็คือจริงถ้าไม่พูดคือไม่พูดเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจังหวะแต่ละจังหวะที่พระเจ้ารับสั่งนะ เรื่องทั้งหลายเรื่องนรกเรื่องสวรสด์เรื่อรับสั่งหลังจากศัสรุแล้วนะไม่ใช่รับสั่งตอนเป็นพระราชกุ ม, มารตอนเป็นรบโพธิสัตว์ตอนเป็นนักบวชตรงนั้นไม่ได้เคยรับสั่งอะไรอย่างนี้เลยคําสอนมันเกิดขึ้นจากหลังศัสรุรวันจึงเป็นการรับสั่งโดยความรู้ที่จริงแล้วก็เป็นสัจธรรมที่ไม่มีความแปรผันแต่เราคิดว่าแปรผันมันก็เรื่องของเรานะฮะแต่ที่จริงพระพุทธเจ้ารู้จริงก็ก็กกสแสดงไว้อย่างนั้นวัน ภิกษุปัญญขีก็ต่อสู้กันนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉาวิจิกรฉามันเป็นทางสองแพรงมันเดินไม่ได้นะวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้อันนั้นก็ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเลิกเลิกําเลยพวันก็เลิกฟังเลยถ้าแกบฟังเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงมันจะไปไม่ได้เลย ผู้เจ้าเทศไปเถอะแกก็คิดว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงแกอยู่ตรงเนี้ยผู้เจ้าไปถึงไหนแล้วก็มันว่าแกเทศไปไปไปถึงไหนแล้วแกก็นั่งไม่จริงไม่จริงอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าเครือบแคลงสงสัยไหมแน่ใจเราลองดูเราฟังเทศเราฟังอะไรต่อะไรก็ตามถ้าเราคิดเรื่องอื่นดูเนี้ยผู้ไปเถอะข้าหูทรายตะลูกฝาหายไปเลยไปรู้เรื่องเลยก็ถามพระเทศเองเอนั่นสิเรื่องอะไรอ๋อแล้วสิมันก็ยุ่งสิเพราะใจเราก็อยู่เรื่องอื่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ รอเวลาก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ก็คือให้ท่านแก้ตัวศรัทธาให้ได้สจ้ากันศาท่านนอนงันมาตั้งหลักไม่ได้เลยนะก็ให้ต่อสู้กันเองพิจิกันเองลองปรึกษากันดูก่อน <c oughs> ก็ปล่อยไว้หนึ่งคืนนะฮะเราจะเห็นว่าพระเจ้าเทศทรร์ทำมาจากวัฒ น, นสูตรตอนเย็นตอนเย็นก็วันขึ้น1ิบี่ค่ำแต่เราเรียกว่าวันอาสาหะในตอนหลังเนี่วันอาสาหะก็เพิ่งคิดขึ้นเมื่อปศห้านี่เองปศสองพนห้นี่เอง แต่มันเป็นอสานา ห, าหมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราเราเพิ่งประรบเป็นวันบูชาขึ้นอพศ2500พระธรมาเทศนาในพระบาลีจริงๆนะมันขึ้นทเวเมเลยขึ้นทเวเมเลยแต่ว่าเวลาท่านเรียงเนี่ยมันก็เรียงในข่าบสังขยนาเราอย่าลืมว่าตอนค น, คนที่ที่ที่ที่อบ คำถามเรื่องระสูตรนี่คือพระนนทพระนนท์ท่านเพิ่งบวชท่านบวชทีหลังตอนที่แสดงเรื่องนี้ท่านยังไม่ได้บวชเพราะนั้นเป็นการบอกเล่าในการบอกเล่าจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจึงขึ้นว่าเอวเมสุตังนะฮะแปลว่าเข้าไปเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ท่านไม่ได้ฟังเองนะฮะท่านไม่ได้ฟังเองท่านท่านบวชไม่ทัน เอเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยังผักกวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าวรณนาายณ์วิหารติทัศเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนะมฤุกขายาวันแขวงเมืองพาราณสีในแง่พระสูตรแต่ละคําเนี่ยเอวเมสุตังเอกังสมยังผักกวาแต่ละคำเนี่ท่านจะอธิบายหมดเลยจะอธิบายยาวเหยียดกว่าจะกว่าจะขึ้นตเวเมย์ได้นี่จะเยอะเลย เป็นการชี้แจงว่าแต่ละเรื่องมันมีความเป็นมาไม่ใช่ว่าพูดกันมาลอยๆนะมันแสดงสถานะมันแสดงกาลมันแสดงเทสะมันแสดงประวัติศาสตร์ของเรื่องเหล่านั้นเช่นทําไมเรียกว่าพารณสีมันมันมันเกิดขึ้นจากเมืองนั้นมันตั้งอยู่ริมแม่น้ําวารุณกับแม่น้ําอาศี เลยก็เรียกอภารณสีแม่น้ำสองสายนี่เป็นก็ที่จริงก็แม่น้ำไม่ใหญ่นะก็ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระแม่น้ําคงคาที่ตรงนี้ก็กลายเรียกว่าวรุณสีก็เป็นวารานสีก็แม่น้ําวารุณกับแม่น้ําำสีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นที่อยู่ของฤษีซึ่อย่างนี้มากกว่ากลาประวัติพระมาเมืองกบิลพัดเห็นอ่ะกบิลพัดทำไมจึงเรียว่ากบิลพัดพัดพัสดุกับกบปิละ กบิละเป็นชื่อของดาวบทชื่อว่ากบินลมุนีนะพัดก็พัพสดุทรัพย์สมบัตินะฮะเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยพว ก, กสมบัติอันเป็นที่อยู่ของกบินลดาบทมาก่อนนะท่านก็นจะอธิบายความเป็นมาของของชื่อเมืองอิสิปัตนาอิสิปัตนาคืออะไรอิสิแปลว่าฤาษีปัตนะแปลว่าตกมารุขะทายวันแปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกลงของฤษีฤษีมันหล่นลงมาก็แสดงว่ามีตำนานสองตำนานตำนานฤษีหล่นกับตำนานให้อภัยแก่เนื้อเห็นว่าจะมีตำนานเล่าต่อมาปัจจุบันนี้เรียกว่าสารนาศสารนาศก็คือที่พึ่งของกวางนาถนะฮะที่พึ่งของกวางสาระก็ก็คือกวางเป็นที่พึ่งของกวาง ก็เป็นตำนานที่เล่าขานมาไอ้ น, นี่คือคือเราจะเห็นว่าวัฒถธรรมของอินเดียเนี่ยแจะอะไรก็อะไรกะยุ่งกันได้นะแต่อย่าลืมว่าการรักษาวัตถธรรมเขาจะรักษาดีมากบ่าตรงนี้มันให้อภัยแก่เนื้อมาเนี่ยคิดว่าประมาณไม่น้อยกว่า3ามสี่พันปีเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่คนรุ่นหลังก็จะรักษาเลยปู่ย่าตายายสร้างยังไงมาเรารักษามา เป็นประเทศที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมแล้วพอดีถูกปกครองโดยอังกฤษซึ่งเป็นอนุรักษนิยมด้วยเลย อ, อนุรักษ์กันใหญ่เลยสิ่งดีงามต่างๆเนี่ยเขาจะรักษาวไว้เพราะงั้นมันจะมีร่องรอยของประวัติศาสตร์สู่ของเราไม่ได้นะฮะหายไปเรื่อยๆทำลายหมดเลยผลุนตายไม่มีรากนะฮะนานไปนั้นไปเราจะไม่มีรากให้ลูกหลานดูว่ารากของเราไปอยู่ตรงไหนแล้วก็กลายเป็นความแปลกแยก คือไม่มีจุดเชื่อมโยงที่จริงมนุษย์หรือต้นไม้เนี่ยมันต้องมีรากมันจะเชื่อมโยงจริงทั้งหลายกี่กิ่งก็ตามแตกไปกี่กิ่งก็ตามแต่มันจะมีรากของมันมันเชื่อมโยงก็มาสู่ต้นเดียวกันได้เพราะฉะนั้นแนวตรงนี้จึงจึงจึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าอนุโมทนาชื่นชมมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอินเดียเนี่ยนะประสบทุกประสบปัญหามาเยอะมีความแตกแยกมีความรุนแรง นะเรื่องการแบ่งชนชั้นวันนะปัจจุบันก็ยังแรงอยู่นะแต่ว่าจริงๆสิ่งดีงามก็รักษาได้หมดอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของอิตเดียเขารักษาได้นะฮะเป็นชาติที่มีเป็นอูอารยธรรมโลกแล้วเขาก็รักษาอาอาเรยธรรมตรงนี้ก็ไปได้อิสิปัตนะที่ว่าเป็นที่ตกของฤษีมันเป็นการแสดงถึงการศึกษาปฏิบัติในสมัยโบราณ ก่อนพุทธกาลนานไกลเราสามารถดูได้จากชาดกนะว่ามนุษย์เนี่ยมันคิดเรื่องนี้มันนานเนกะเลยแล้วบำเพ็ญเพียรทางจิตจนันรลุฌานได้ปัญญาเหาะเหินเดินอากาศได้เลื่อนลอยไปในอากาศได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันันคือเรียกว่าวิขำพนาวิมุตต์จิตมันสงบกิเลสไว้แบบอาพร ม, มปูทับบนพื้นมีฝุ่นเนี่ยนะเรียกวิวขพนวิมุตต์มันก็ได้กันมานานแล้วมนุษย์เนี่ย ก็ได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงแล้วก็ท่านมองไปก็รูปก็สวยด้วยเสียงก็เพราะด้วยเลยวูบเลยจนะติแตกฤๅษีสติแต ก, สตแตกสเสียเหลี่ยมฤๅษีมาแต่ก็หล่นลงมานะฮะประจานฤๅษีไปดิสิปตัตนะเปรัวฤๅษีหล่นลงมาปัตนาเปรปวัวตกนะฮะตกก็คือหล่นนั่นเองฤๅษีหล่นลงมาแต่ว่าหล่นแบบปุยนุ่นนะฮะมันไม่ใช่หล่นแบบอิดตกนะถ้าตกแล้วกระดูกหักหมดเลยก็ลอยแบบประคองจิตมาได้ประคองจิตม ชาญเสื่อมมันตัวนี้เราก็สอนอะไรเราเจ อ, อะเลยว่าคนเราอย่าไปมั่นใจไม่มีใครหรอกที่ว่าปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องสมบูรณ์จริงๆเพียงแต่ว่าเราอยู่ในที่บางที่เราก็รักษาสภาพจิตเราไว้ได้แต่ถ้าโดนแรงกระแทกแรงๆเนี่ยคุณไหวหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันไม่ใช่คนระดับพระอริยะคนระดับอริยะเท่านั้นเองที่ ท, ที่จะไม่หวั่นไหวถ้าระดับสามัญชนแล้วไม่แน่จริงทั้งนั้นล ลองทดลองแล้วแต่บาดแตกทั้งนั้นฝันวิธีการบริหารชีวิตไปในที่ที่ไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่มีความรปลอดภัยจากแรงกระแทกเราก็มาแก้ปัญหาถ้าพ่อใจเราด้านเดียวเนี่ยมันไม่่คยแปลกอะไรนะฮะเป็นนั่งสมาธิในผับนี่ก็จบเลยนะเ อ, อ๋ไม่จะตั้งไม่ได้เลยเพราะว่าแรงกระแทกมันมาเยอะ ไปนั่งสมาธิเพื่อนดา่าปลา่ปลาๆเรานั่งสมาธิมา น, นั่งไม่ได้มา น, นั่งไม่ได้ต้องฝึกขันติอดทนอดทนดทนตนัน้นเองมันไม่ต้องคิดสมาธิแล้วต้องข่มใจเอาทต่นั้นแต่ถ้าถ้าระดับนั้นเราไปนั่งสมาธิไม่ได้แต่ถ้าถึงใจที่เขาเรียกว่าตาชิตาชิาชโนคือมันคงชี้มันไม่บูบบาบแล้ว ที่จริงมันเริ่มไม่บูบบ้าบตั้งแต่พระโสดาบันแต่พระโสดาบันบางบางเรื่องท่านบูบบ้าบนะเพราะท่านยังมีความโกรธท่านยังละไม่ได้ราคะท่านยังละไม่ได้เพราะฉ้ท่านยังบูบบ้าท่านยังมีความโศกท่านยังร้องไห้ท่านยังเสียอกเสียใจเวลาพลาดพราดสูญเสียพระสักกินทะคามีก็ดีขึ้นมันเริ่มต้องที่พระนาคามีนะพระนาคามีในท่านละกรมราคะปฏิฆาได้เพราะถ้าอยงอีกกิเลสตรงนี้ยังมีอยู่เราจะ อยเก่งเลยนะมันเก่งอยู่ไม่ได้นานแล้วนะอย่าเก่งอย่าไม่ได้นานแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างว่าคนหรืสีขนาดโ ห, ห่พื้นเดินอากาศได้เนี่ยมันก็เสื่อมได้เพราะาว่าไปเขาเรียกว่าวิสภาคารมคืออารมณ์ที่เป็นขั้นศึกมันเป็นขั้นศึกจริงหรือเปล่ามันอยู่ที่ใจท่านคิดเอาเห็นไหมใจท่านคิดท่านมองท่านคิดยังไงล่ะท่านคิดเฉยๆก็ได้ท่านคิดด้วยความรักก็ได้คิดด้วยความชังก็ได้คิดได้เป็นอสุภะกรรมฐานก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจะ ค, คิดอ่ะ ก็แสดงว่าสภาพใจของเราเป็นตัวกาหนดอารมณ์ลนั้นไม่ใช่อารมณ์นั้นเป็นตัวกําหนดเราแต่ฤๅษีท่านให้อิทธิพลของรูปไปกําหนดท่านแในท่านก็เปรย์แต่วันก่อนเนี่ยก็อธิบายให้พระเข้าขวางเข้ามาพูดถึงพระบางองค์ในท่านเข้าป่าท้กก็นนี้โยมไปเรอท่านเก่งพอโยมเข้าไปพบก็ตะกนี้เข้าป่ า, า, เ, า, ป า, เ, า, ปาเลยกว่านบอกเออมันต้องวิเคราะห์นะปฏิบัติอย่างนั้นนะมันไม่ใช่พูดแล้วมันเป็นฤๅษี รือสีขึ้นหนีอารมณ์ไม่กล้าสู้อารมณ์ไงเห็นมฮะไม่กล้าสู้อารมณ์เพราะถ้าสู้ท่านสู้ถ้าไม่แน่จริงหรอกนะบางทีก็อย่างอย่างที่เคยเล่าพวกพระกรรมาฐานเมื่อประมาณสักยี่สิปีที่แล้วนะที่เดินไปจากภาคใต้มาภาคใต้ขึ้นไปภาคเหนือมัหลันลงนี้มาไปเจอสองสามรูปํามไอ้มันหายไปไหนวะพระตั้งเกือบ5้าร้อยบอกเอ้ยสาวสาวแถวภาคเหนือเอาบาทไปทำรังไก่ตั้เกือบหมดเลย เห็นไหมฮะอันนี้คือคือคือคื อ, ค อ, คอมันไม่แน่จริงอะ่ะมันไม่แน่จริงท่านก็แยกตัวออกไปแล้วก็ไปไปนั่งกรรมาฐานท่านนั่งเดียวเห็นใช่ไหนั่งนั่งเดียวเนี่ยคนก็ไปหาเดียวก็ไปหาเดี่ยวแล้วก็พูดยังไงทําไงกรรมท่านก็ไปเกาะกลุ่มพระท่านก็นั่งอยู่ในป่ารูปรูปเดียวเลกคนก็ไปพูดยังไงแสดงยังไงกรรมในสุดท่านก็เปท่านก็สับสนได้เพราะงั้นจิตตรงนี้ท่านจึงว่ามันเป็นหลุดพ้นระดับวิขขำพนันะมันข่มเอาเฉย ใจมันก็คงเฉยเฉยๆมืกึงเมื่อก็งูที่ยังไม่ตายแล้วเรามือกดไว้เนี่ยมันก็กดไว้เท่าที่มือเราแข็งพอมือเราแข็งพอเรากดไว้ได้แต่ถ้างูมันเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมาทำไงเห็นไหมว่ากิเลสมันที่เราเกิดจากการนึกเราเองเห็นไหมเรานึกเราเองเลยบางทีมันมีตัวกระแทกจากข้างนอกแต่ระดับนี้ต้องแทกจากข้างนอก ต้องกระแทกจากข้างนอกถ้าไม่กระแทกจากข้างนอกแล้วท่านก็ท่านก็อยู่ได้เพราะท่านเข้าสมาธิอยู่เลยเห็นไหมพระที่หนีเนี่ยที่จริงมขาเป็นคิดแบบฤษีฤษีนั้นจะหาความสงบเพื่อตัวเองเขาเรียกวัฏถตาธรรมสุขภิฐารท่านก็อยู่เป็นสุขของท่านโดยตัวงท่านเองแต่ท่านก็อยู่จนโหนดงอกนก็จอกทำรังอยู่ไปหายไปเลยท่านก็ไม่ออกมาข้างนอกเห็นไหมถ้าไม่ออกมาข้างนอกสังคมไม่ได้อะไรจากท่านเห็นไหมสังคมจะไม่ได้อะไรจากท่าน แต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันมันมันจะเหมือนกระราชตะคุ ม, มารที่ส่งไปศึกษากระรือีในป่าเหมือนกันเข้าป่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องกลับมานะต้องกลับมาช่วยสังคมเราทิ้งสังคมไม่ได้เพราะศาสนามันต้องอนุเคราะห์ต่อสังคมอนุเคราะห์ต่อโลกเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับโลกเห็นไหมพระเจ้าอยู่ในป่าแค่หปีแล้วก็อยู่ในเมืองมาเลยอ่านะไปไปเที่ยวก็อยู่ในป่าก็ใกล้เมืองนะนะใกล้เมืองจะไม่เข้าป่าหลีกเล่นไปตลอด อย่างมากก็พผ่อนสิห้าวันเนี่ยก็อยู่นะฮะเคยหลีกเล่นเขาเรียกว่าเป็นเป็นการหลีกเล่นนานๆแต่ครั้งหนึ่งก็จะจะปา่าจะเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่ใช่ลึกอะไรเท่าไรหรอกเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้านทานอารมณ์ได้หมดแล้วน ะ, ะอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เหมือนกันป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามภูเขาก็ตามพระอรหันต์อยู่ในที่ใดที่นั้นก็รื่นรมหมดเลย มันไม่ได้อยู่จากตัวนอกเราเห็นได้ชัดจริงว่ามันไม่ได้อยู่จากตัวมันไม่อยู่ที่ตัวนอกแต่มันอยู่ที่ตัวไหนคือใจของเราเพราะงั้นอิสิปตนะตรงนี้มันก็คื อ, ค, อคือการประจานประจานเป๊กที่จริงไม่ใช่ประจานนะก็บอกอะบอกเราว่าเอออย่ามั่นใจนะขนาดเหาะได้เนี่ยหล่นเลยนะเหาะได้เนี่ยก็หล่นเลยแล้วก็มันมีทั้งทั้งตาบททั้งตาประสินีนะฮะนักบวชหญิงก็เหมือนกันก็หล่นเหมือนกันแนะน่นะหล่นเหมือนกันแต่ว่าตำนานในส่วนใหญ่มันจะเป็นนักบวชผู้ชาย บวผู้ชายนักบวชส่วนมากจะเป็นนักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงพวกตาปรสินีนี่จะน้อยนะฮะค่านิยมในการบวชจะน้อยพวกปริปรเจียปริภาชคปริภาจิกายนะฮะจะมีปริภาคือนักนักบวชหญิงจะมีทุกจุดเหมือนกันนิครน น, น, นะ น, ค น, นี่ขันถีนะนีครนก็ที่ขันถีปริพาชกปริภาจิกาตาบวชกัตาประสินีเห็นห ม, มันมจะมันมันจะมีคู่กันมาตลอดแล้วก็เสื่อมได้ทั้งคู่เหมือนกันนะฮะถ้าไม่แน่ใจจริงๆนะถ้าไม่มั่นคงจริงๆแล้วก็มาเป็นภิกษุภิกษุณีมันก็ก็ ก็คือกานฮะอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างนั้นแสดงว่าถ้ายังอยู่ภายใต้อำนาจใจแล้วก็ยังมีปัญหามรรคธาญวันที่ให้อภัยแก่เนื้อนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องพระยาเนื้อนิโครดเนือพระยาเนือนเน้อสาขะที่เคยลากฟังอ่นิโครดฉดกนะฮะมันก็พระเจ้าพาราณสีให้อภัยแก่พระยาเนื้อนิโครตตั้งแต่วันนั้นมา <c oughs> แล้วพระญาเนื้อนิโครก็ขอพอรเพื่อสรรพสัตว์หมายความว่าสัตว์ สัพสัตที่บริเวณป่านั้นใครจะฆ่าไม่ได้ท่านก็ให้พรราชวงศ์เนี่ยมันตายไปนานแล้วนะหมดไปนานแล้วแต่ทุกวันเขายังถือปฏิบัตินี่คือข้อที่น่าชื่นชมก็หลวงพ่อได้รับสั่งเรียกพระปัญญบกีมาแล้วสั่งเรียกท่านปัญญวคีมาก็ไปสแสดงในลักษณะแก้ปัญหาแก้ปัญหาก่อน นะครับจะทำอะไรก็ตามมันต้องแก้ปัญหาก่อนจะนั่งพื้นศกปลกเชดพื้นซะก่อนนะอย่าไปนั่งกินอาหารต้องเตรียมอาหารซะก่อนเตรียมความพร้อมเพราะงั้นเธอยังคล่องใจยังสงสัยปัญหาหลากักเธอยังเชื่อมโยงอยู่กับสองเรื่องเนี่ยถ้านลองสังเกตว่าไม่ค่อยไปแยกอย่างนั้นน ะ, ะเวลาเทศกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเจอไปเจอตรงนี้ ที่หลังเนี่ยหมายความว่าพระเหล่านี้ที่ท่านฟังนี่ท่านก็นําไปพูดนําไปแสดงแต่พระเจ้าไม่ได้ไม่แยกทวเวเมยอย่างเงี้ยทวเวเมยก็เจอสองแห่งไอเจอแห่งเดียวเนี่ยทวเวเมย์นี่ยเปการประกาศหลักการสําคัญที่ทรงสรุปแลได้ขณะเดียวกันเป็นการแสดงทั้งปฏิเสธตั้งยืนยันสิ่งที่ปฏิเสธคือตื่นในยุคสมัยนั้นสองเกรดแส แต่ว่าสิ่งที่ยืนยันไม่จะทิ้งสองอย่างนะฮะไม่จะทิ้งสองอย่างคือปรับของมันให้มันอยู่ในจุดที่พอดีกายก็ต้องอาศัยใจก็ต้องอาศัยแต่การทรมานร่างกายเราจะเห็นว่ากายจะทรมานมากใจจะเล่าร้อนเห็นไหมกายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบเพราะกายกับใจก็สัมพันธ์กันการปลรนปลื้หาความสุขทางเนื้อนหนังทางการรมคุณใจมันจะเพลิดมันจะลื่นมันจะไหลไปเรื่อยๆไม่มีทางเลย เราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงแสดงว่าตระตราพิน at ันดินีเพลิดเพลินยิ่งแหนรวมๆนั้นไปเรื่อยๆนะไหลไปเรื่อยๆต้องการได้ต้องการมีมันเป็นฟ้าไปเรื่อยๆไม่หยุดร่างกายเองก็เฉื่อยสุดๆไม่กระสับไม่สงบเหมือนกันนะฮะจิตมันดิ้นมันดิ้นวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆตามตามกระแสของความอยากเป็นกระแสของตัญหาเราเห็นว่าจะจะพูดแบบกระแสคือมันไหลไปเรื่อยๆ หไหลเลยจะแบบกระแสรกระแสน้ำกระแสลงไปกระแสไฟนะจะพูดแบบไหลเพื่อเห็นว่าเนี่ยเธอชอบอะไรมันก็ไหลไปเลยมันเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเราจะล่อสัตว์ล่ออะไรล่อปลาล่อสุนัขล่ออะไรเห็นไหมเอาอาหารผูกแล้วก็ลากมันก็วิ่งตามไปเลยเลยเห็นไหมถูกบังคับให้ไหลเพราะใจไปกําหนดไปพอใจในตัวต่างก็ลากลากได้เอาปลาเอเอ่อยเหยื่อก็ได้อ่อยเหยื่อเห็นไหมลักษณะอ่อยเหยื่อนี่คนมันก็ถูกออยเหยื่อด้วยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถูกอ่อยเหยื่อเลยนั่น เพราะงั้นพระเจ้าส่งปฏิเสธทั้งสองสถานะแต่ไม่ใช่สิ้นเชิงนะสิ้นเชิงไม่ได้ยิ่งมันต้องอาศัยทั้งกายทั้งจิตและทั้งทั้งหมดเนี่ยมันกายกับจิตเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมันดิ่งไปเหลือเกินสองข้างก็ทรงแสดงดเวเมภิกเวอันตาปปิเตนะนะเสวิตาภารูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางสองทางอันบัญญัชิดนะฮะผู้ก็นักบวชระดับนักบวชไม่ใช่จะพูดระดับโยมนะฮะจริงๆไม่ใช่พูดระดับโยมหรอก ว่าบรรพชิตไม่ควรเสพไม่ควรประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าหมายความถ้าชาวบ้านเราจะเห็นว่าจะพูดลดดันกันลงมาเอากระดาษกามีสุวิชชาจารเนี่ยไหมกามีสุวิชชาจานอาหารก็จะเป็นลดมากเอาเอามือเย็นกระฟอไปกินไว้ด้วยนะไม่ถึงก็ทรมานร่างกายไปอดข้าวอะไรต่ออะไรมันไม่จะสอนกันขนาดนั้นนะนั่นมันทรมานร่างกายเกินไปแต่ถ้ากินเอากินเอามันก็มันก็ปลดปลื้ตัวเองเกินไปมันก็เกินไปแต่นั้นเนี่ยนะ เห็นไหมพอบาไม่รูปศีหน้าใจมันมัดชิมามัดชิมาพอดีเปิดโอกาสได้กินอยู่ครึ่งวันน่ยกินยังไงก็กินไปครึ่งวันเลยแล้วก็เสร็จแล้วเออถ้ามันหิวขึ้นมาก็มีน้ําดื่มน้ำฟ้าน่าอะไรแต่อะไรก็ยังแก้ไขปัญหาได้ก็หมายความว่ามไม่ใช่ไปทรมานร่างกายแต่ให้อาศัยร่างกายได้ใช้งานกับร่างกายได้ไม่ใช่ร่างกายต้องทุกข์ทรมานเจ็บปวดหิวโหยอย่างเงี้ก็เดินไม่ได้ เราทรงให้เหตุผลก็คือประการแรกก็คือการปรสุการณ์ลีกาในโยกหมายความหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องของกามาคุณในลักษณะดิงแรงนะฮะดิ่งแรงสมัยนั้นก็เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตากันเดียวๆก็ไปกันใจปลนปลือนะเรียกได้ว่าลักษณะของการปลนปลือนบำรุงก็คือบำรเรอฮะบำรุงจนกลายไปบำรเรอที่จริงคนเราขนาดบำรุงก็เยอะแล้วนะฮะผมบำรเรอแล้วยุ่งเลยทีเดียวยุ a, ả, ่งเลย ก็เละกันไปใหญ่ก็ลื่นไหลไปเพราะงั้นท่านก็ส่งแสดงเห็นว่าประการแรกก็คือฮินโนะเป็นของพื้นพื้นระดับธรรมรากรรมกินนอนกลัวนะฮะเป็นเรื่องของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่คนจะทำจิตของตัวหลูพลเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วแม้แต่จริงๆคนดีก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ มันต้องยกจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องการมสีสมิชาจานนะฮะเวรมาลีและต้องเว้นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่รการมสีสมิชาจารย์จึงจะถือว่าเป็นคนดีเข้าเกณฑ์นะฮะเข้าเกณฑ์นี่ก็เป็นของทั่วไปที่เห็นได้ชัดคือพูดปั๊บมันก็เห็นนะเออมันก็จริงนะก็ทั่วไปนะ้ําก็เหมือนกษัตริย์มันก็คนมันก็อะไรแต่อะไรทั้งหลายเนี่ยกษัตริย์เดียร์จา์กัมโมเป็นเหตุ ให้ตั้งบ้านเรือนเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของชาวบ้านนะเป็นเรื่องของชาวบ้านขโมนี่ก็จะไปได้หลายอย่างนะเป็นเหตุถ้ามีครอบมีครัวเป็นเหตุไตั้งบ้านเรือนแล้วก็โปถุดจนิโกเป็นเรื่องของคนกิเลส ต, ต้องหยาบนะกิเลส ต, ต้องหนาอ่ทนะี่ถ้าถ้ากิเลสไม่หนาจะจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าเห็นไกิเลสเนี่ยมันมันจะยางไปเรื่อยเล ย, เลยนะจะลดไปยางไปเรื่อยเลยจนถึงจุดหนึ่งนี่จะถือพรมจันทร์ ถามกิเลสมันไ ม, มนะ่ยังไม่หมดหรอกนะยังไม่หมดหรอกแต่มันควบคุมใจตัวเองได้แล้ว แ, ลแสดงว่ามันจะดึงตัวเองออกมาจากความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นครอบเป็นครัวนะมันก็อาจจะอยู่ในครอบครัวเห็นไหมพระนาคามีท่านก็อยู่บ้านแต่ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องต่ว น, นั้นตรงนี้ก็เห็นได้ชัดแต่อย่าลืมมาพูดกับพระนะพูดกับพูดกับพูดกับคนที่จะสอนให้เป็นพระยพุทธคน อนารยโยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่เป็นการกระทำที่ประเสริฐมันก็ซ้ำซ้ำซักๆาสสกซ้ำซซากเหมือนกับเรากินเนี่ยเราลองลองลอ ง, งดูตั้งแต่เกิดจนถึงนอนนะแต่ลรวันเนี่ยลองลอ ง, งดูมันซ้ำซ้ำแซากๆทำซ้ำแล้วท้ำอีกเกิดกี่พ่อกี่ ช, ชาติก็คืออย่างนั้นแหละมนุษย์มันก็อยู่อย่างนั้นก็ซ้ำๆ้ำซักซากจันเจเจกินแล้วกินอีกนอนแล้วก็ออีกอาบ น, น้ำแล้วอาบน้ำอีกกับถ่ายแล้วก็บถ่ายอีกอย่างนั้นแหะก็ไม่มีอะไรฮะก็ซ้ำซ้ เป็นพฤติกรรมซ้ำๆพองานท่านก็บอกไม่ใช่เรื่องประเสริฐอะไรเพราะว่าความอิ่มโดยเรื่องเหล่านี้มันไม่มีตอบสนองยังไงก็ไม่มีอิมมอ่มไออิ่มันก็คว้าไปเรื่อยๆเอ็นว่าแนวของสติปัฏฐานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาที่จริงมันก็คือคือมาแก้ จ, จิตติมันควาเรื่อยๆนะคว้าไปเรื่อยๆชอบตรงนี้ฝึกสอนตรงนี้ว่าไม่ดีอย่างงั้นยังงั้งงนไปคว้าตรงโน้นผู้อบอกตรงโน้นไม่ดีกว่คว้าเรื่อยๆไป ก็สอนสกัดการควา้าเธอคว้าไปฉันก็ตามไปชี้ตรงนั้นตามไชี้ไปเรื่อยๆเล ย, เลยทุกจุดเป็นการตามจีบคนที่มันควา้าวานี้วางเอาอไม่พอใจไปเอาอย่งงางอื่นแล้วลองดูนะฮะลักษณะแบบนี้เมือเมือม่อเวลาคุณไปซื้อของเห็นไหมมันก็ควา้ากันไปยิบๆไอ้อออ น, นู้นดีกว่าวางอัอนนี้วิ่งจบนู้ น, นเดินหมุนอยู่งั้นแหละ เดินหมุนอย่างนั้นกว่าจะได้ของตลอดทำการ น, นั่นคือสภาพจิตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายความเอาก็จึงก็เสียเวลาเสียเวลาเยอะเจอเงินจอทองไปเยอะแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะงั้นท่านก็บอกว่าเป็นการไม่ประเสริฐเอาก็จึงประโยชน์ที่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้มันเป็นความฝันเห็นไหมชีวิตไม่เป็นความฝั น, น, น, นของเราของเราของเราเป็นนกเขารอ้รองของกูของกูไปเรื่อยๆหลวงพ่อพุทธทาสแหละของกูของกูไปเรื่อยๆ ก็ได้จริงภาษาไทยอะนะฮะตอนนั้นคนก็หวือหวานะหลวงพ่อตั้งแปลว่าอะไรตัวกูของกูนะฮะตัวกูขอ ง, งกูไปที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะที่จริงมันเป็นอย่างนั้นในอัตถกถาท่านก็เล่านะฮะท่านก็พูดไว้ว่าอสัตว์โลกมนุษย์เราเนี่ยเหมือนนกชนิดหนึ่งชื่อไมหกักกัดไมฮักะเปลวไมยหังไมหักเนี่ยคือไมหังไมหังก็คือของเรานะแปลแบบหลวงพ่อพุทธทาสก็คือของกูใช่ไหมของกูของฉันนะ ของอัตามาและแต่ได้กว่าไปนะฮะแต่หมายความมันก็ดึงกับเราแล้วกความของเราเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้ น, นผลุดท้ายเราไม่ได้เปลี่ยนเรามาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปเพราะในศธรราจริงๆมันก็คือแบบตถาคตอ่ะคือมาอยัางไงก็ไปอย่างนั้นเรามาอย่างที่มาเราก็ไปอย่างที่ไปแต่ว่าเพราะบุคคลไปให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เห็นไหมความรู้สึกว่าเที่ยงเนี่ยมันก็อยู่ภายในใจว่าเราจะอยู่ตลอดไป เราจะอยู่ตลอดไปเราจะไม่ยอมรับจะต่อต้านพูดเรื่องตายไม่ได้อย่าพูดอับปางมงคลพูดอะไรกินข้าวกินปลาพูดอับปงมงคลพูดเรื่องตายไม่ได้ไหมนคนเนี่ยพูดเรื่องตายไม่ได้โกรธไม่ได้เป็นอับปางมงคลต้องพูดเรื่องอยู่พูดให้เจริญเจริญนะอายุมากๆนะอ่ะายุเจริญตั้งร้อยปียิ้มเลยร้อย right, sí, ปีเราทำอะไรยิ้มไม่ทําอะไรอายุร้อยปีนะ <to> ตายก็ไม่ตาย <developments, S 1> <to> อยู่ก็ไม่อยู่มันไม่ได้เรื่องอ่ะแต่เราก็อยากได้นะร้อยปียิ่ง จรุ่นหมื่นปีนะฮ่องเต้จีนเนี่ยมันจริญนหมื่นหมืนปีเลยนายย่ายอดยังไง เ, เรงพวกคันทีม่ายอดฮ้องเต้ไอ้เระชนมายุจะรุน่นหมื่นหมืนปีนนปแล้วก็เรียกประมื่นปีอะไรมันรื่ก็หลอกหลอกกันนี่ยหลอกหลอกกันเพราะฉนั้นจริงๆมันเป็นชีวิตที่อยู่ในแวดวงของมา ย, ยาเป็นการหลอกลวงก็ส่งสอนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ประเสริฐอ น, นัตติโยคือไม่ประเสริฐอะไร นะครับ่ามีสิ่งที่ประเสริฐกว่าแต่เราอย่าลืมว่าพื้นพุทธิี่ภาวะของคนมันต่างกันเพราะงั้นมันจะปรับอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้เทศเพื่อปล่อยพระผ่นิพานนะอย่าลืมว่าเทศเพื่อพระผ่นิพานมันก็ชัดมากเลยเอาจริงเลยเจาะกันที่จริงดี่แท้จริงนี่เป็นยังไงก็บอกกันตรงๆแต่อย่าลืมวาเทศในแวดวงของของพระนะเทศอยู่ที่ที่ป่าเทศอยู่ที่ป่าไม่ได้เทศในหมู่ประชาชนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปจะไม่เทศขนาดนั้น จะไม่เท่ขนาดนั้นเพราะจัดเทศอีกระดับหนึ่งอย่างที่บอกว่าพระรธรรมเทศนาที่เทศแกพระเจ้าปเสนกุศลก็ดีนาธบินนิการเสตีก็ดีนามวิสาขาก็ดีไม่สูงไม่จะพูดถึงกรรมฐานไม่ได้พูดถึงมุปัสนาไม่ได้พูดถึงตจลักไม่พูดพูดบับาลพูดธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนี่ยอย่างมากก็แค่กุศลก็บรรจีจะพูดแค่นี้เท่านั้นเองพูดอยู่ตรงเนี้ยแวดบงอยู่ตรงเนี้ยเลยแกหมุนวนอยู่แต่แต่ จะพิจิธีการสื่อสารจะสื่ออย่างไงแต่นั้นเองแต่เราดูสภาวะธรรมองค์ธรรมเนี่ยมันก็อยู่แถวนั้นแต่กุศลก็หมดสิบแต่นั้นเองนี้ก็คือเทียบกับพระมุ่งไปสู่มรรคผลที่พานอย่าลืมว่าถ้าตรงนี้เทศแล้วไม่ได้ผลเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้ผลแล้วยุ่งเหมือนกันเพราะว่าสิ่ง ท, ที่ทรงรู้ว่าคนบางพวกจะรู้ได้เนี่ยเอ๊ะมันเกิดไม่รู้ขึ้นมาคนขนาดปัญญวิทไม่รู้แล้วไม่รู้จะเทศใครแล้วทีนี้ ว่าเทศตรงนี้เลยเทศเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเทศเต็มที่เลยว่าถึงตั้งห้าอย่างอินโนคาโมโบตุจานิโกนาริโยนัสตานิโชเราถือว่าเป็นการมาสุัการรายการโยกอย่าลืมมาใช้คําคําเดียวทําไมไม่อธิบายนี่คือคําคํานี้ที่มากระมังเอารวบรวมเอกสารมาศึกษาด้วยขว่าการมาสุขการรายการโยกในีกรอบมันเป็นยังไงมันมาจากความคิดยังไงนะแล้วก็รัชชิในการประพฤติได้เขาเรียกภูมิหลังนะภูมิหลังของคำคำนี้พระพุทธเจ้าใช้คําเดียว ใช้กรรมการมาสุ ข, ขการในการนโยกแล้วก็ชี้ไปห้าประเด็นปัญจวัคีเข้าใจเลยแต่เราลืมว่าปัญจวัคีนั้นผู้ใหญ่นะเรานึกดูว่าอัญญากลทัญญะกณทัญญะนี่ตอนพระพุทธเจ้าประสูตรเนี่ยแไปทำนายลักษณะก็แสดงอายุอย่างน้อยก็ยี่สบตอนนั้นพระเจ้าสามสิบหกเอาส5มสิบห้าแรกก็แสดงว่าอย่างน้อยในโกทัญญะก็ห้าสิบห้าเห็นฮะเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีผ่านการมีครอบครัวมีลูกมีเจ้ามาแล้วบวชตอนแก่แล้วตอนตอนพุทธเจ้ายนะี่สิบสองนฮะไม่ใช่ตอน้้ยพระพุทธเจ้ายี่สิบเก้าท่านท่า น, ท, านท่านก็เกือบห้าสิบแล้วนะฮะแต่ก็สี่สิบแปดไปแล้วเราจะแสดงว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วพ็พูดกรรมสุการณ์เรกา ร, รโชคเนี่ยท่านก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นท่านก็เข้าใจทันทีไม่อธิบายให้เราสังเกตเราไม่อธิบายการไม่อธิบายหมายความเป็นยังไงหมายความว่าผู้ฟังเนี่ยมีพื้นฐานดี เห็นไหมผู้ฟังในมีพื้นฐานในผู้ขนาดนี้เข้าใจเลยพอเราไปเจอภาษารีบุตรไอ้ผู้สองบรรทัดเข้าใจเลยนยิ่งใหญ่กว่าปัญญกวีเยอะเลยเห็นไหมยิ่งใหญ่กว่าปัญญกวีเลยสองบรรทัดตนเอกบรรลุเป็นโสดาบันละพระโมคคัานะสองบรรทัดบรรลุโซดาบันละปัญญกวีว่ากันดังสามสี่ห้าหน้ากระดาษอนะฮะปราณห้าหน้ากระดาษพิมพ์เนี่ยก็ได้บรรลุองค์เลี้ยว เพรไอ้ธรรมเทศนามันไปบ่งบอกถึงผู้ฟังในแต่ละขณะด้วยผู้ฟังเป็นยังไงทำไมเทศเทศยอดจังเราไม่เข้าใจพราะคนนั้นคนฟังตรงนั้นก็เข้าใจแล้วเห็น ไ, ไหมจะดูตาผู้ฟังในขณะนั้นประการต่อไปก็สงใช้พูดถึงอัตตกิลมัฏานโยไอ้ น, นี่ก็เหมือนกันแม่อธิบายอัตตกิลมถานโยคืออะไรแม่อธิบายพราะปัญญวคีมีประสบการณ์ทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติเพราะเห็นมาเยอะ พระพุทธเจ้าทรามานเรก็นั่งดูอยู่นี่ยนะเต็งก็เห็นนะฮะตังกิลาพันธะนิยมเพราะประเด็นที่ชี้ให้ชัดก็คือว่าทุกโข อ, อนารยโยนันทิสันตัวเป็นทุกปัญญกีเห็นชัดพระพุทธเจ้าสลบมื่อเลยนะเดินไปไหนไม่รอดเลยล้มสลบเมือเ่อปัญญคีก็นั่งดูนี่กำลังจะบรรลุแล้วเห็นไหมฮะดันยึดบั่นนะ่ะมือนก็พผู้เล่นหวยไหมผู้เล่นหวย ลูกชักกระเดากระเดาอ่ะรู้จมันจะออกเปเลขอะไรเแินที่จะพาไปลงมันมันไปผูกโยงไว้นั่นคือลักษณะลักษณะสภาพจิตของอุปาทานที่ไปยึดเพื่อจะตายแล้วนะบอกกาลังจะบรรลุอันนี้จะตายแล้วกำลังจะดูว่าจะออกเลขอะไรนะนั่งที่ลักษณะมันเหมือนกันคืออยากได้จนไม่ได้มองเหกุผลตรงอื่นคิดแต่เรื่องจะได้แต่นั้นเงีง จนเด็กเลี้ยงแกะต้องมาเอาน้ำมันมาหยอดน้ำนมมาหยอดให้นะน้ำมนมายหนะมยอดที่พระโอษฐ์ให้แล้กก็ฟื้นขึ้นเด็กก็ถวายต่อนะฮะก็ได้ฟื้นขึ้นมาตรงนี้ธรรมายัางยังมอง ว, ว่ามันเราน่าจะอธิบายอะยคลาดเคลียอนเรยกว่าพอเลิกสวยเลิกบะเพ็ญทุกกรรกิยาแล้วก็รับข้าวมรทุปายาจะนางสุจารดาลกวันรู้เลยมันเป็นไปไม่ได้ เพราะนางสูชาดานึกว่าเทวดานะเทวดาต้องสวยเลยผู้เจ้าผมโกรกอย่างนั้นจะเป็นเทวดาได้ไงก็ตรงนี้มันต้องนานนะฮะตรงนี้มันต้องนานต้องนานอย่างน้อยสิห้าวันนะว่าจะสุขภาพจะฟื้นได้เนี่ยมันเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยเดินไม่ได้เลยก็แสดงว่าต้องพักฟื้นอยู่นานนะจึงจะมาเริ่มมาเวียนเพลี่ยนทางจิตร่างกายต้องพร้อมก่อนประเด็นสำคัญานางสูชาดานึกว่าเทวดาแสดงองค เทวดาต้องสวยมากเลยต้องงามมากเลยก็แสดงความลักษณะปรากฏเต็มที่เลยก็ฟื้นหมดแล้วอแต่ทีนี้เราเราพูดเราเพลินไปนะะเหมือนกันสนมหกหมืนั่นแหละเราก็นึกไปออกมาอยู่ตรงไหนวะอ่ามันจะกินอยู่กันยังไงคนหกหมื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะมันเป็นอำเภอหนึ่งนะฮะคนขนาดหกหมื่นเนี่ยเป็นอำเภอเป็นเขตกทออมเดียเๆอะไนะไม่ใช่เล่นๆนะนี่จะคนน้อยๆนะคนหกหมื่นเนี่ยดังนั้น ตรงนี้จึงชัดพระเจ้าทรงสแสดงเป็นทุกข์มันก็ชัดเพราะปัญจคาาีรีเคยสัมผัสตรงเคยสัมผัสตรงเคยบําเพ็ญทุกขกรริยามาเหมือนกันทุกขโขอนานาโยมไม่ประเสริฐเสียเวลาไปหปีปัญจคีรีก็มีประตบการใช่ไหมเสียเวลาไปหปีไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เป็นอนาโยมไม่ประเสริฐแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็เขียนชัดว่าไม่เป็นประโยชน์จะอย่าลืมว่ า, าแสดงไปเสร็จมันเกิดสงสยัยอ้าว ถ้อย่างนั้นเรไปทางไหนละ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วไปทางไหนละ่ะก็ทรงแส ด, แดงว่าไอ้สิ่งที่พระองค์รู้เนี่ตยต้องใช้คําบาลีนะจกขุกรณีญานากรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมบูธายะนิบานายะสมวัตติหกคจาจกคุกรณีคือสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมันเกิดโดยสร้างดวงตาข้างในขึ้นมาจากขุกรณีจะคุกรณคือตาเนี่ยนะแต่ว่าตาใน ตาในทิน่นตาเนี่ย ม, มันมีอยู่ห้าตาเห็นไหมพระพระอิศวรนี่มีสามตาแต่พระพุทธเจ้ามีห้าตามากกว่าพระอิศวนจอมเทพของพวกรามสิตาแรกก็คือตาเนื้อมังสจะจากถูกนี่คือตาเนื้อตาธรรมดาที่เราสวดอะไรละ่ะตัวสันเสริญพระพุทธเจ้าตอนทสามาัยเด็กนะฮะพร้อมเบนจะพิจารณาสุจริตวิบลใสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกก็เจนจบประจักษจริง อันนี้คือตาห้าตาเขามาจากขุกรณีตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ตาเนื้อแต่ว่าก็ก็พูดสื่อสารกับปัญญาขีครั้งแรกก็ใช้เขามาจากขุกรณีแล้วก็ต่อมาก็ขยายคำเหล่านี้ที่จริงก็คือตานันแหละจากขุกรณีคือสร้างตาขึ้นมาตาแรกคือตาเนื้อไม่ต้องสร้างนะฮะตาที่สองก็คือตาปัญญาเขเรียกว่าปัญญาจากสูคือตาปัญญาอันนี้คือตาปัญญาด้วยนะแล้วก็ที่ไปจากสูคือตาทิพย์ก็คือตาทิพย์ด้วย แล้วก็พุทธจักสุจักสุของพระพุทธเจ้าตาพระพุทธเจ้าซึ่งรู้เห็นเหนือสามัญมนุษย์หมายความมองทะลุปลุกปลงหมดเลยบางทีจะเรียกว่าพุทธญาติพุทธพุทธญาตปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นใครทําอะไรไม่ได้พระเจ้า ว, ว่าปั๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วแก้ได้มันนี่คือพุทธจักสุมันเห็นแบบแบบพระพุทธเจ้าเห็น อย่างที่เคยเล่านะฮะภาษาดิบูตรแก้ปัญหาไม่ได้ไปมาปันโทแก้ปัญหาไม่ได้คนนั้นแก้ไม่ไดแก้ไม่ได้พระเจ้าต่างแก้ได้โดยอาศัยทิปประจับพุทธจักษุดูคนนี้มันมีอะไรยังไงก็ดูแล้วก็แก้ปัญหาคนนส ม, มันเจักสุคือประสัพพัญยุตยานตัวส ม, มันเดจักสุคือจักษุรอบด้านรู้หมดเลยนะทีเเ่เราเรียกยานเอกคือสัพพัญยูสัพพัญยูก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นจริง เพราะนัว่าจะาขุกกรณีตรงนี้ก็คือก็คือตาห้านั่นแหละแต่จริงเน้นที่ตาสี่นะเน้นที่ตาสี่ก็ไม่ได้พูดมังสาจะสูบเพราะก็มีมาตั้งแต่ประสูตยมาแล้วแต่พระเนธดีนะพระพุทธเจานะ้าเนี่ยพระเนธดีแปดสิบก็เหมือนกับตอนยังหนุ่มอันนี้คือผลจากบริจาคดวงตาทรงเล่าเองวันนี้คือผลจากพระองค์เคยบริจาคดวงตามาตาจะดีเพราะงั้นโยมจะบริจาคตาไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเกิดชาติหน้าตาบอดนะฮะ ตาดีนะฮะตาจะดีตาจะไม่มีโรคตาตาจะมองได้แจ่มใสชัดเจนไม่ต้องไปกลัวหรอกเราบริจาคอะไรตรงนั้นเราจะดีบริจาคอวัยวะส่วนไหนก็ตามตรงนั้นจะดีกว่าเดิมนะฮะ ก, กว่าที่เราได้มาเดิมเพราะ ม, ามันมันเป็นเขาเรียกว่ากรรมวัชรูปคือรูปที่สร้างขึ้นด้วยกุศลกรรมนะให้ให้ใ ห, ให้อาหารเป็นการให้กําลังให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณอันที่ทัสนสมัยเพราะงั้นในตรงนี้ ก็คือจักขุกัิญาณกันย์ยานญานคือความรู้ที่มันผุดขึ้นลักษณะยานเดี๋ยวมันผุดคิดตลอาสังเกตนะฮะคนเรามียานนอนยานตัวเนี้ยจักรุตัวนี้ยานตัวนี้จริงๆเรามีทุกคนนะนะบางทีในการต่อมาที่เราเรียกว่าพุทธธาตุพุทธพุทธาตุนะธาตุที่ธาตุอ่ะพุทธธาตุคือธาตุธาตุของพุทธในคนทุกคนเราก็มีอยู่ด้วยกันมีมากหรือมีน้อยเพราะลึกๆเนี่ยเราจะมียานระดับนี้ เราอาจจะพูดถึงจิตเหนือสํานึกจิตใต้สํานึกอะไรต่ออะไรนะ่เรารู้โดยเราไม่รู้แต่เรารู้นะโทรศัพท์เ ก, กรีงเรารู้ใครโทรมีจดหมายปับ๊บเรารู้ว่ใครมาคนเดินมาเรารู้มาทําอะไรนะแต่ไม่ใช่ตลอดนะฮะไม่ใช่ตลอดจิตเราต้องสงบในขณนะนั้นแสดงว่าตัวญาตเราเนี้ยที่จริงเรามีมีเป็นเชื่ออยู่แล้วถ้าไม่มีเชือ่อมันมันไม่ตอบไม่ได้นะเห็นว่าเราต้องมีเชื่ออยู่แล้วจึงไปตอบได้ มันไม่จะปลูกเชื้อขึ้นมาใหม่ที่จึงเชื้อทั้งหมดมันมีอยู่แล้วเชื้อมักผลที่ผ่านเราก็มีเชื้ออยู่ในแกันแต่งนั้นเพราะงั้นท่านก็เรียกว่าญาณะกรณีคือสร้างยานขึ้นมากระทํายานยานเนี่ยมันเป็นผลพระองค์ก็ทําขึ้นมาหมายความไงหมายความว่าถ้าไม่มีตรงนี้พระองค์ก็ไม่รู้เห็นตรงนี้แต่เพราะรู้เห็นตรงนี้เนี่ยพระองค์จึงได้ ส, สรตยุโลภะขุกรณีญาณะกรณีอุปสมัยยะ เป็นไปเพื่อความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอากุศลบาปธรรมสงบจากความทุกข์อภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งนิโรธายะเพื่อความดับนะแล้วก็นิพานนะะเพื่อนิพานนะอันนี้ก็คือก็คือเราเราจะเห็นว่าเป้าประสงค์มันมันจะเดินมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยอภิญญายะสัมโบธายะ นิบานายะสร้างวัฏติสรวงวตัติคือหมุนไปเป็นไปนะอันนี้คือเป็นเหตุเป็นเหตุทําให้พระองค์ได้เข้าถึงนิพพานเพราะงั้นเวลาไปสอนเวลาไปแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเรียงสิบข้ออริยมรรคจะเรียงสิบนะฮะอระิยมรรคจะเรียงสิบไปข้อที่เก้าเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาญาติคือตัวเนี้ยตัวเนี้ย ค, ค, ค, คือคือคือตัวตั ว, ตวสัมมาญาณตรงนั้นเรียกว่าญาติแล้วก็จิตมันจะวิมุติ คือเป็นสมาวิมุขคืจิตหลุดพ้นในต่างที่เจ้ไอ้พวกนี้ที่จริงมันเป็นผลแล้วาอาจจะเจอเจอคําตรงอื่นก่อนจะนิพพานพระเจ้าจะเทศธรรมห้าข้อเดีมาข้อซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ เ, เรียกว่าสาระธรรมห้าศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุติสาระวิมุตตนะิญาณทัศนสนตสาระหมายความว่าตัวญาณเนี่ยมันเกิดจะผลรวมของศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็คืออริมัชสมบูรณ์สมบูรณ์มันเกิดญาณผุดขึ้น ลักษาะหยานที่ผุดทิ่ยานที่ว่าตะเกียร์เนี่ยนะความว่าโทรศัพท์เก้งเกิดหยานผุดขึ้นมาเรารุกใค ร, โร่โตแต่จิตเราต้องสงบในขณะนั้นทีนี้พระเจ้าจะนั่งสมาชิจนั่งสมาธิมาเรื่อยๆดยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตเขาเรียกกรรมนิยักที่ใช้างานได้จิตที่มันใช้างานได้เหมือนคนฝึกปลือมาอย่างดี มันก็ใช้อวัยวะต่างๆตามที่ฝึกปรือมาได้แต่คนไม่ฝึกปรือทําไม่ได้เห็นไหมคนไม่ฝึกปรือมาก็ทําไม่ได้แต่คนที่ฝึกปรือก็ทําได้ก็จีเกรียกกรรมนิจจะพระองค์ก็น้อมมาไทยไปเพื่อตอบคําถามต่างๆแล้วยามันก็ผุดขึ้นพอยามันก็ผุดขึ้นอะไรยาลก็ผุดขึ้นทํำยังไงนึกยังไงเห็นไหมฮะนึกๆมันก็ผุดขึ้นมาอนึกออกบางทีนึกไม่ออกอยู่ในข้อสอบสนามสอบนึกไม่ออกมันเครียด พอออกมาจากห้องสอบนึกออกตอนนั้นสมก็สอบแล้วเด่นนะนั่นก็คือลักษณะจิตมันรวมรวมมันสงบมันสงบขึ้นมาผมก็ผูดขึ้นม า, มนนมาแต่ว่าเราก็พูดได้นิดหน่อยนะเพระญาณเรานิดหน่อยนะไอ้พระพุทธเจ้าตั้งก็ผุดขึ้นมาเป็นความสมบูรณ์นะจึงจึงเรียงจกขุกรณีญาณนะกรณีอุปสมายอภิญญายะสมบูทายะนิบานายะห้าหกอย่างนะนิบานายะสังวตัตติคือเป็นไปเพื่อ ยาเ น, นะ เ, นยาเครื่องรู้นะเป็ น, ปป น, ปา ط, ปนปยานเครื่องรู้เป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อยานเครื่องรู้เป็นไปเพื่อเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความดับเราจะเห็นว่าไอ้รู้ยิ่งกับรู้ดีเนี่ยรู้ยิ่งกับดีที่จริงก็คือตัวยานและไอ้จักขุกรณีญนานกรณีก็คือยานตรงนี้ใช้คําซ้ํำๆอยู่สี่คำแต่ว่าสัมโบธาญาณิบานายะ สัมปทาญก็ ก, ก็ก็คือญาณ น, นะะนิพพานายะนั้นคือตัวผล ต, วตัวนิพพานตัวผลมันนิดเดียวนะะเห็นไหมมันเหมือนกับเราจับน้ําจับจั บ, จบน้ำแข็งปับ๊บมันก็เย็นปับ๊บแต่จับในี่ยมันคนละเรื่องก็เย็นนะเห็นไหมคนละคนละขณะดกันจับก่อนแล้วก็เย็นกันมาทีหลังเพราะงั้นเกิดรู้ก่อนแล้วก็เกิด น, นิพพานทีหลังมันเหมือนกับแสงรสว่างเกิดก่อนนะฮะแสงสว่างเกิดก่อนแล้วมือก็หายไปอะไรก่อนะ เพราันพูดถึงนี้ผ่านจะพูดอะไรขนนี้ว่าแสงสว่างเกิดปับ๊บความมมก็หายปุ๊บแต่แสงสว่างเกิดก่อนใช่ไหมเก็จนดูไม่ออกว่ามันก่อนหรือมันหลังแต่จริงๆแล้วแสงสว่างเกิดก่อนอะเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้ที่จริงในอย่างเรียงไว้ตั้งห้าหกคำเนี่ยมันก็ขณะจิตเดียวมันขณะจิตเดียวแป๊บเดียวเท น, นี้นเป็นวินาทีอาจจะน้อยกว่าวินาทีนะะอาจจะน้อยกว่าวินาที เห็นเมืเม่อเราจับเหล็กปั๊บร้อนปุ๊บเร็วขนาดขนาดนั้นนะแต่มือมันช้านะมือมันช้าแต่จิตมันจะเร็วกันนั้นอีกแต่จิตมันจะไม่ถูกขีดขัดโดยกาลเวลาเพราะงั้นปัญหาตัวนี้คือเป็นปัญหาเรื่องจิตสิ่งที่ส่งคนพบมันเกิดขึ้นจากคล้ายๆเราเดินไปก่อนเมื่อถึงเอ๊ะมาอย่างไงก็ย้อนกลับไปดูผลักอ๋อนี๋เราเดินอย่างเงี้ยอย่างงี้ยเสร็จแล้วก็เอาทางเดินเนี่ย ตั้งเดินนี่มาเล่าแต่ที่พระพุทธเจ้าเล่าตอนถึงแล้วพรุทธเจ้านี่ถึงแล้วแล้วก็ย้อนกลับเอาว่าพระองค์เดินมาอย่างไงนะก็เล่ามาพเพราะว่าการนั่งตรงนี้ฮะนั่งนั่งปั๊บขึ้นมาเนเห็น ม, มันเป็นสีนะนั่งปั๊บขึ้นมาเป็นสีพระพุทธเจ้าอธิษฐานความเพียรอธิษฐานเลือดเนื้อในอกายจะเกิดแท้งไปก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้ตะ้งรู้ด้วยความเพียรพยายามของบุรุษแล้วจะไม่ลุกขึ้นจากชณะมันเป็นสัมมาวายามะมันเป็นสมาสติมันเป็นสมาสมาิ ไม่เลยห้ามักขึ้นทันทีเลยปฏิฐานตอนั้นนั่งปับปับไปถึงพระองค์ก็เคยมีสมาธิอยู่ก่อนมันเรียนาจากสำนักลาลบอุทกดาบทก็ไปเลยนะเข้าสมาธินอนก็ไปเลยไปทางอนาปานี่ไปเลยไปพูดๆไปเลยเพราะจริงๆมันชํานาญอยู่แล้วผลชํานาญจากนั้นก็ถึงเจตุสชาญนะฮะไปถึงอรูปชาญนะครับก็กลับมาที่เจตุสชานแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาพิจารณา เห็นไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เกิดเกิดก็สมบูรณ์ก็ครคร้าวเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็กลายเป็นก็จะขุกรณียานะกรณีอุสมายะาวินยะยัสมุทายะนิบานายิยัสมทุทติมองย้อนกลับอออกมาทางนีนะ้มาทางนี้ก็นําทางเนี่ยมาเล่าพราะทางที่ที่ที่มันเล่าเนี่ยทางาที่พระท่านเดินมาท่านเดินมาแล้วท่านมาพบพบการตัดสู้แล้วก็รู้ว่าถ้าใครก็ตามเดินมาทางนี้ก็ตัดสู้ เห็นไหมว่าทางตรงนั้นไม่ได้ทิ้งจิตแล้วไม่ได้ทิ้งกายมีทั้งกายทั้งจิตแต่ว่าจิตต้องไม่กระสับกระสายกายจึงจะสงบกายจะต้องไม่ถูกปลนปลือจนมีแต่กินนอนนอนเหมือนก็หมูกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างติลาวันเกิดนะกายกับจิตต้องพร้อมกันต้องประสานกันมันมีกรรมสุขกา ร, ริการนยโชคเห็นไหมมันมีอัตกิลามอาตานุโยโบางทีความเพียนแรงกล่าวมันไม่ยอมสงบเราเดินจงกรมมันแล้วนะ นอนน้อยๆทำงานน้มากใจร่อในมากกินน้อยๆนอนน้อยๆเห็นไหมบางทีก็ทรมานร่างกายอยู่ลึกๆกลิกก้งๆแต่ไม่ถึงกับกระสับกระจายเพราะจริงๆเนี่ยเราตามใจมันไม่ได้อะทั้งใจตั้งกายเราตามใจมันเราต้องฝึกมันเราต้องดัดสันดานมันตามไม่งั้นมันก็ดัดเราอะนะเราก็ต้องดัดมันซะ ก, ก่อนแล้วก็วิธีที่เรียงไว้ในตอนหลังเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แสดงว่าอะไร สแสดงว่าสิ่งที่สมคบสมมอย่างเนี้อุปสรรคเป็นเหตุนะฮอันนี้ผลนะอันนี้ผลน ะ, นนลนะนนจะขุกกรณียานกณีปสมายาอวิน า, าา น, านายาสมุทัยญาณิบานญาสังวรนติเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุเป็นตัวนิโรธอ่ะเป็นตัวนิโรธมันเกิดมาจากอะไรก็คือทางมีองค์แปดประกาศมีองค์แปดประกาศนะทางมันจริงจริงมันทางเดียวทางเดียวไม่ใช่แปดทางนะะมันจะแปดทางเราจะเรียกว่ามัคคิว มักแปดมันทำไมต้องแปดทางไปได้กันยังไงทางแปดทางไปได้ยังไงเห็นมไหมาทางแปดทางโบไปไ ป, ไปเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ยังก็ตกไปพร้อมกันนะแล้วต่างนังแปดทางบุญเดินได้ยังไงเออทางน่แปดทางมันทางเดียวทางเดียวแต่มีองค์ประกอบอยู่แปดอย่างเหมืนอนยาขนานเดียวเหมือนขนมขนานเดี่ยมันขนมอย่างเดียวเหมือนแกงอย่างเดียวอะไรจะไเนะี่ยแต่มีเครื่องปรุงแปดอย่าง มีเครื่องปรุงมาแปะอย่างส่วสมไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เวลเราเป็นอาหารเหล่านั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมมันต้องออกไปต้มไปปรุงแล้วกลายเป็นเนื้อเดียวกันคุณแยกไม่ออกหรอกแยกไม่ออกว่าไอ้ไหนเป็นน้ําตาลไอ้ไหนเป็นเป็นเป็นมันไอ้ไหนเป็นแป้งมันแยกไม่ออกมนปนกันอยู่มันปนอยู่แต่นั้นคือผลรวมมันก็กลายเป็นหนึ่งรสเป็นรสอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะหวานหรือจะอะไรแต่ไรก็ตามนะฮะมันจะเป็นรสร่วมกันเพราะจิตตรงเนี้ยมันกลายเป็นวิมุติรส หนูแต่ละคือจิติตลุพ้นจากกำนานเกิกิเลสมันมาจากอะไรล่ะมาจากอริยมรรคแปประการทรงแสดงล้วนๆไม่อธิบายเลยนะซึ่อย่าที่ดังสมาธิฏิสมาสังกปุสสมมาปารสมากมันโตสมามีโสสมาวยาโมสมาสติสมามาธิจบนะฮะจะว่าเท่านั้นทําไมปัญจคีเข้าใจนั้นแสดงปัญจคีไม่ใช่ขีมือธรรมดา แสดงไม่ต้องอธิบายเลยสมมาทิฏฐิคืออะไรสมมาสังกปัปปะคืออะไรสมาวจา j a สมารกรมมันสมาธิว่าคืออะไรท่านเข้าใจเห็นไมท่านเข้าใจแล้วท่านก็ฟังได้ตลอดแสดงว่าท่านไม่ใช่ธรรมดาพูดขนาดนี้เข้าใจแล้วเนี่ยไอ้สมาธิฏฐิคืออะไรเราจะอธิบายกันแทบตา ย, ยังไม่โยมเกิดสมาธิฏฐิสักทีหนึ่งอ่ะแต่ท่านฟังใช้คาสั้นๆ น, นิดเดียวเนี่ยท่านเข้าใจ นั้นแสดงถึงวาสนาบารมีของคนฟังว่าท่านท่านท่านท่านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาก็อย่างที่บอกแล้วว่าท่าพุทธรรมจักรจะต้องพูดสองตอนนะตอนเดียวเป็นจบกับวันนี้ก็หมดด้วยเวลาะก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามเพยบูรในธรรมจงมีแต่ท่านสระชาชนทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี